ในขณะที่กาลังออกล่าสัตว์กันอยู่นั้นลุงผมก็เห็นกวางตัวหนึ่งจึงค่อยๆ ย, ยกปืนขึ้นมาเล็งไปที่หัวของกวางตัวนั้นจากนั้นก็ลั่นไกปืนเสียงดังสนัน่นกวางตัวนั้นลม้มลงกับพื้นลุงจึงรีบวิ่งเข้าไปดูพร้อมกับตะโกนบอกปู่ว่าพอ่อผมยิงกวางได้ตัวหนึ่งแต่พอลุงวิ่งไป